เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วพอศสอ4 4ผมทำงานได้เพียงสองปีผมก็ได้พบกับแฟนผมซึ่งก็คือภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละครับทั้งผมและภรรยาอยู่ด้วยกัน ร, ราวๆหเดือนเธอจึงชวนผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้รู้จัก ว่าที่พ่อตาแม่ยายและญาติญาติของเธอด้วยผมจึงตกลงกลับพร้อมกันกับเธอเราทั้งสองเดินทางด้วยรถทัวร์กลับไปถึงบ้านเธอราวหกโมงเชา้าไปพบกับพ่อแม่ญาติญาติทั้งหลายของเธอซึ่งพอเธอบอกว่าผมเป็นแฟนพวกเขาเหล่านั้นก็ยิ้มและชวนคุยหลายเรื่องถึงตอนอาหารเย็น แม่ยายกับป้าแฟนผมบอกว่าพรุ่งนี้จะไปทําโรงทานที่วัดป่าแล้วตอนเย็นก็มีการปฏิบัติธรรมด้วยผมสนใจจึงบอกว่าอยากไปปฏิบัติธรรมดูบ้างหลังจากนั้นวันต่อมาผมก็ได้ไปทําโรงทานที่วัดป่าแม่แฟนผมบอกกับพระอาจารย์ว่าผมเป็นลูกเขยอยากมาลองปฏิบัติธรรมดูพระอาจารย์ยิ้มแล้วถามผมว่า กลัวผีไหมผมไม่ตอบท่านเอาแต่ยิ้มให้แฟนผมก็มาถามว่าอยู่ได้แน่นะที่นี่เขาบอกว่าผีดุมากผมบอกว่าอยู่ได้ลองดูสักคืนสองคืนพอคนที่มาทำโรงทานกลับไปหมดแล้วพระอาจารย์เอาชุดขาวทั้งชุดมาให้ผมท่านถามว่าผมสวดมนต์เป็นไหม ผมบอกว่าได้บ้างบางบทครับท่านเลยบอกงันมาที่นี่ตามท่านมาพาผมเดินลาะมาตามป่าไผ่ผมพ้นมาภาพที่ผมเห็นคือศาลาหรือกุดหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางบ่อน้ำเดินตามไปตามทางเดินจนถึงกุดท่านบอกผมว่าที่กุดนี้มีหลวงปู่ท่านหนึ่งถูดงมาจากภูควายแล้วมาขอพักที่นี่ก่อน ผมเดินเข้าไปเจอท่านแล้วก้มลงกราบท่านพูดว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ง่ายๆมีสิ่งทดสอบหลายอย่างตลอดเวลาหลังจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็เดินกลับกุฏิหลวงปู่ท่านให้ผมสวดมนต์ตามท่านแล้วก็ให้คำภาวนามาคำหนึ่งตอนนั่งสมาธิเวลาผ่านไปจนถึงห้าทุ่มกว่า ผมนั่งสมาธิพร้อมกับหลวงปู่จิตใจมันวอกแวกไปมาเหมือนลิงไม่อยู่นิ่งสักทีได้ยินเสียงหลวงปู่พูดว่าทำใจให้สบายกำหนดลมหายใจเข้าออกเอาไว้ซึ่งขณะที่ผมนั่งต่อได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในบ่อน้ำตลอดเวลาคิดว่าปลาอะไรจะกระโดดหนักหนาลืมตามา หลวงปู่นั่งอยู่บนขอบบ่อและพูดว่าอยากรู้ไหมว่าอะไรในน้าผมไปยักหน้าท่านบอกผมว่าให้เอามือยื่นลงไปในบ่อสิมือผมไปสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะคล้ายอะไรสากมือด้วยความสงสัยสิ่งที่สัมผัสอยู่จึงควานไปอีกครั้งพบว่ามันเป็นเกล็ดปลาอะไรสักอย่างแต่คงจะตัวใหญ่มากๆ พอเก ล, ล็ดเดียวยั่งใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกกำลังคิดว่าคืออะไรเสียงหลวงปู่พูดขึ้นมาว่านี่แค่ส่วนหางนะแต่ส่วนหัวอยู่ไปถึงน้ำชีโนนผมชักมือกลับขึ้นมาเลยครับส่วนมากถ้าไม่มีคนมาหาหลวงปู่เขาจะขึ้นมาฟังถามด้วยผมถามท่านว่าพญานาคเหรอท่านได้แต่ยิ้มแล้วบอกผม ให้เข้าไปนอนในกุฏิได้แล้วคืนต่อมาหลังจากทําทุกอย่างเป็นทั้งคนคอยถือยามให้หลวงปู่ตอนเช้าที่ท่านไปบินธบาตกลับมาล้างบาตรกวาดลานวัดล้างห้องน้ําประมาณสามโมงพระอาจารย์มาบอกผมว่าคืนนี้ไปปฏิบัติที่ป่าช้านะมีท่านกับพระอีกสองรูปและป้าคนหนึ่งกับผม รวมเป็นห้าคนเดินเข้าไปในป่าช้าเวลาสามทุ่มครึ่งมองเห็นกองฟอนที่ใช้เผาศพคนตายวางอยู่เสียงเงียบสงัดในคืนเดือนหงายได้ยินแค่เสียงลมหายใจตัวเองพระท่านไปปักกลดตามใต้ต้นไม้ต่างๆ ต, ต, ต, ต้นไทรต้นโพต้นกามปูส่วนผมมีม้งขามาอันหนึ่งหอามากางใต้ต้นจาน หลังจากเข้าไปในมุ้งแล้วจึงได้รู้ว่าผมนั่งคนในสุดหลับตาลงกำหนดลมหายใจเข้าออกและภาวนาได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากฝาช้าเหยียบใบไม้แห้งเสียงมาหยุดนอกมุ้งผมพยายามไม่คิดอะไรภาวนาไปเรื่อยๆแต่ความคิดหยุดลงมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเอาลิ้นมาเลียใบยหูข้างขวา สักพักก็ย้ายมาต้นคอเสียงหายใจฟืดฟาดและมีกลิ่นเหม็นเนา่าราวกับซากศพวนเวียนอยู่รอบตัวเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆผมค่อยๆหรีตามามองมันเป็นสีสากของหญิงแก่มุดมุงเข้ามาเลียหูผมตาของแกแดงกล่ำเหมือนเลือดเคี่ยวออกสองข้าง ผมลืมตาดูด้วยความช็อกมีเสียงพูดดังขึ้นว่าไปไหนก็ไปเย่ามากวนโยมเขาเดีย๋ยวไม่ได้บุญนะแล้วหญิงแก่ก็เอาหัวออกจากมุ้งไปพบพระอาจารย์ยืนยิ้มให้ผมบอกว่ายายเมื่อกี้แกเป็นปอบปุ่นตายได้สองเดือนทรมานมากมีค่อยได้บุญไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรนะ ผมคิดในใจว่าโอ้โหกเกลียหัวผมขนาดนี้ไม่เป็นไรบังครับพระอาจารย์แล้วผมก็ไปนั่งสมาธิใกล้ๆกับท่านซึ่งผมก็ไม่ได้พบเจออะไรอีกจนตีสท่านพาผมเดินจงกรมและทำวัดเชา้าต่อมาแฟนผมกับครอบครัวก็มาถวายจังหันที่วัดป่าแล้วก็รับผมกลับ มีคนถามว่าทำไมเก่งจังนั่งสมาธิที่ป่าช้าได้ผมได้แต่ยิ้มให้ม่อยากจะบอกว่าเจออะไรมาบ้างและเรื่องราวทั้งหมดของผมก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ